ที่ประพฤติทธธรรมที่ปฏิบัติทำรรไม่ใช่อยู่โ น, โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่จำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกตัวคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะ นอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวตามอารมณ์ไปปรุงไปแป่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกกายนอกใจเรา เช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแบบรูปหรือเสียงรินรสเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจแต่ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากแกประพฤติ ท, ที่ ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจที่เจรณากายเนี่ยเอากายเอาใจนี้มาพิจารณากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมาฐานกันให้จิตสงบ ความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุย่นวายเิ่นธรรมาวัตรวงพ่อโพ่งวันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งจิตกายวิเวกนี้จิตใจเรามังก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยอจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปพอเราวิเวกทางกายมาพอสมควร น, นั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัต เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่ายโยมที่มากรับน้ำตาลวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประพงแล้วก็วจะมีความรู้สึกเปลี่ยนเพคืมเปลี่ยนออก เปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็พลอยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ ก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ผลผลแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั่นมันเกิดขึ้นในใจดีก ว, ว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจ ก็เดียวการฝึกใจมเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาพีนาเกศาโลมาณขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกำปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม เป็นแกมเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เป็นสารละเป็นความจริงอไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมา เ, นเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปนะธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอม ไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมธาตุที่มันเกิดเป็นแ้บมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านะถ้าเจ้าของบ้านนี้จากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูนสกุกกระรก ผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นแนตะ่บ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นจต่อของบ้านอาศัยอยู่ตัวกราวานั้น เราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านเจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลสุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไป ผลที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายอืที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดฉะนั้น่สิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ําก็เป็นน้ําไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไป มิฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนาัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถิ่นธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา แต่ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตตามาอมเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความมีบัตแตกแยกออกไปแล้วคู่ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั่นเราหายแล้วอันนั้นเราตายแล้ว ชนนี้เป็นต้นเพราะอ น, นั่นเป็ น, เ ป, นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ ว, ว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรามาตัตา์เมื่อเราอบรมจิต ให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงศักดิ์ธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่า อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั่นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาธรรมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว จะได้เอาจิตนี่พิจณาตายเมื่อพิจณาตายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนแล้วสัตว์บุคคลก็ไ ม, ม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอตตามันเป็นอนตตาเสียแล้วมเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตาย มนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ามีไฟมีล ม, มประชุมปุ่งแกงขึ้นแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองอืใครจะดีใจข้าพระเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพระเจ้าก็ไม่รู้อืเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อํานาจของใครเป็นกฎที่ตายตัว ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคน ม, มีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโขสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบัง มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัจามันกรบฏไปอนาตามันก่อตั้งขึ้นมาอืมเมื่อเห็นก้อนอนาจาร์แล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนาจาเป็นของไม่เจตัวต้น เทปทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความปวดแก่เก็บตายดู เ, เห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นสัตว์แต่ว่าดินสัต์แต่ว่าน้ำไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีเพรฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้ เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพิณากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่มาสิ่งทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้น เ็าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัตฏสงสารรังนั้นขอโยมซึ่งมานัมจตานในวัดหลวงพระพงวันนี้อยากจะประพฤต ปฏิบัติธรรมะให้กระทัด ร, รัดสั้นเขา้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติ ด, ดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี้ได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบ พยายามทําไปเรื่อยไปเมื่อจิตสงบอ่าปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นตกขังเห็นอนัจจาเมื่อเห็นอนิจจังตกขังอนัตจาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมุติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงแบบจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพีนายุที่กายเอาใจนี้มาพีนากาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมนีม่ขมมันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดแล้วมันก็ร่วงไปเริ่บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอย่อยางนั้นมไม่คงเส้นคงวา จะเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนี้ก็มันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแล้วก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเร่มากเมื่ออยากเลยมากก็อยากเลยน้อยเมื่ออยากเลยน้อยแล้วก็อยากเลยร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสารัเรื่องจิตเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอ น, นิจจังคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศา ส, สดาของเราท่านจริงดีว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่จะอยู่ที่อื่นอืมไม่เชยสุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกข์ทุกข์อยู่ที่ใจดังนั้นทมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานผิเจรนาทุกชาติทุกภาษาในเงืั้นทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิรทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เป็นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เกีบตายทุกทุกภกชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นทีนี่เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นประจิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเจนเราทุกคนนั่งในนี้ก่อนเกิดมามเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาตอมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปได้ด้วยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามจราระบาของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครอั่งนั้นเนี่ยดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย สอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของอให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตารแล้วก็จะเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาจาเมื่อเห็นกายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปาทานจะไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี่มันก็ไม่มีถ้าระยึดมันก็เป็นทุกข์ มันปก็เป็นภพมันปก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไ อ, อ้ความบุนบายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยค า, าวจรเกิดทุกข์เพราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอืม เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดกนที่ไหนมันก็เกิดทุนที่ใจเหล่านี้เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นบิทนามาใจก็เป็นบิทนาไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจ ฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสตราของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาธาิเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นตานี่ว่ามันไม่เที่ยง สักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราส่งมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราส่งไว้เราไม่ไปทาลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ส่งมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ามันกิน ให้นะ้ำมันดาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นมั่นว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ตนเป็นเราเป็นเ้าเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสถาวะเมื่อถึงค้าวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไมไ่ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแย ก, กกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นพมาก็คือกายกับใจดังนี้เราโยมทั้งหลก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการตายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้ว ม, มัไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดนิพิทาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปประนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางก้นทุกข์เปรียบประนึงว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอืม นกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะครวนลิ้นลนมันก็พยายามลิ้นลนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกักขังมันไวจิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามนี่แล้วอืมันก็พยายามอืพิจารณาให้ออกจากวัตตสงสารนั้นๆอืไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดได้บงังคับตายอีกแก่อีกเก็บอีกตาย อ, อีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัตฏสงสารเบื่อนายในการกระทําดีเบื่อนายในการกระทําชอบ เบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรกกามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามจภาวะของมันนั้ น, น, นไม่ไปไม่มา เรียกว่าจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเราจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากกัตจ์สงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้ มีความสุขขึ้นมาก็สั ก, กว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่รีเอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเรื่ น, น, นี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตร์นาที่สสอนมาเอโกธรมโมโจบลงตรงนี้มีฉะนั้นขอคณะทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก รู้ผิดนั้นก็เอาไปพินาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพินาก่อนพระผู้ทองท่นานว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อประรับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานวัตการในวัดนรโ่วงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก เมืองไทยไปซะแล้วะฉะนั้นคำขวรด้วยธรรมะทียอจมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุ ธ, ธรรมะซึ่งสันติธรรมในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุมิโธ อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูดทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้อันสองเรื่องเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเรียกว่าเทวทูตอันนั้นให้พ้นจากประต ส, สงสารต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกรคัดรัดง่ายขล้นไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานปิจรารณา ก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนา